พระธรรมเทศนาแผ่นที่99ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าราทัพพรมทัพพีเดียวเออนี่แต่ครูบาอาจารย์ต่างกองก็ต่างเห็น ความสําคัญมาทดแทนพระคุณของบ้านพี่น้องบ้านตาดชาวบ้านตาดก็ตั้งแต่หลวงตาจุดตีนิ้เราานไปแล้วนะลูกหลานบ้านตาดก็ไม่เคยขอร้องไม่เคยเอขอความช่วยเหลืออะไรทั้งหมดแต่มาบัดนี้หลวงตาอยากไปได้หกปีกเพิ่งได้ยินปีนี้นะว่าโรงเรียนชำรุดแล้วก็อยากจะได้ป้าย เพราะโรงเรียนป้ายเก่ า, เาไม่ทันสมัยเหมือนกับโรงเรียนอื่นเขาทั้งที่ เ, เป็นโรงเรียนของหลวงตาแล้วก็มีผู้คนผ่านเข้ามาแต่ละวันแต่ละอาทิตย์คนต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาคารวะองหลวงตาแล้วก็มาเห็นโรงเรียนก็รู้สึกว่ายังไม่เหมาะสมจึงได้คิดกันขึ้นมาเพื่อจะหาทุนสร้าง ทำป้ายใหม่แล้วก็โรงเรียนที่ชำรุดถึงหกปีห้องน้ำบ้างห้องเรียนบ้างสีของโรงเรียนบ้างเศร้าหมองนะจึงมีวันนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมปุบาจารย์ทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพึ่งพาใสยใบบุญขององค์หลวงตาได้ฟังธรมธรมเทศน์นธรรมเทศนาของหลวงตา แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ได้มาบินเทาบาทฉันพัตนาหารที่บ้านตาดเป็นเวลาหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของหลวงพ่อเองเป็นเวลา1ิบเกือบ14ปีนะลูกหลานนะมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตาแห่งนี้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเกียงระลึกถึงพ่อคุณของพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนเพราะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ยินดี เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยนะและก็ก่อนหน้านี้ตั้งแต่พี่น้องประชาชนลูกหลานเนี่นะเข้าไปปรับรนะปรับรกับหลวงพ่อว่าอยากจะซ่อมอาคารหรือว่าซ่อมโรงเรียนจะใช้เงินเท่าไหร่หลวงพ่อก็ถามนะบอกว่าจะใช้เงินประมาณล้านหแสนกว่าครับหลวงพ่อเขาก็ทํารายการไปให้ดูนะ ทั้งป้ายด้วยทั้งผ้าสีด้วยทั้งซ่อมห้องน้ำห้องถ่านเขาก็ทำไปรายละเอียดให้ดูนะแต่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีแล้วยังบอกก็ยังไม่มีแต่ตามให้จริงก็จะดได้ก่อนระาวาังนะหลวงพ่อเองก็เลยเอา้าถ้าให้ก่อนก็เพื่อเอาไปดูแลไปซ่อมแซมที่มันจำเป็นก่อนนะส่วนเงินล้านค่อยว่าทีหลัง หลวงพ่อจะให้ห0 0 0 0ก่อนหลวงพ่อคันยมอบให้ห0 0 0นเนะื้อน้คณะทาญาทโยมนะหลวงพ่อมอบให้ก่อนเลย ,0,000 นบาทนะเอามาก่อนแล้วนะเพราะนั้นหลวงพ่อวังฟังอยู่เหมือนกันนะวันนี้นะถ้าหากว่ามันไม่ถึงไม่ทะลุเป่านะหลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะั่นแหะหมัดสองว่ากันเถอะนะหมัดหนึ่งปล่อยไปแล้วนะแต่หากว่ามันยังขาดเหลือขาดตกอยู่หลวงพ่ออาจจะปล่อยหมัดสองลงไปอีก วันนั้นขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมนะ่ที่ได้จินเสียงหลวงพ่อนะ่หลวงพ่อในี่ใจใหญ่นะเพราะราลึลกถึงบุญคุณขององค์หลวงตานะหลวงตาแล้วก็ถึงบุญคุณของญาติพี่น้องที่ได้เลี้ยงได้ใส่บาดหลวงพ่อเป็นเวลาทั้ง10กว่าปีนะขนาดพระราธพามนะพระราธพามอยู่ที่กรุงกรุงสวรรถีนะ เออเตเป็นเป็นคนแก่ผ้าแก่คนแก่นะเออท่านก็เป็นเออเป็นอะไรถ้าจะว่าเปนก็เหมือนเป็นพ่อเลี้ยงท่านภาษาริบุตรนั่นแหละรู้จักมักคุ้นกันเพราะตระกูลใหญ่ตอใหญ่ก็ต้องรู้จักกันเป็นธรรมดาเพราะคนอยู่ในเมืองนะแต่นี้ก็เมื่อภาษาริบุตรบวชเข้ามาแล้วได้เป็นพระอรหันต์นะได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้านะ อบินเท่าบาทแต่ท่านก่อนยังคิดสงอยากจะสงเคราะห์ราธพามอยู่พ่อเลี้ยงของเราเนี่ยไปไหนนะท่านอยากจะสงเคราะห์เพราะท่าเป็นคนดีใช่ไหอทีนี้ก็าราธพามเนี่ยก็โ อ, อ้ลูกชายของเราเนี่ยคงไม่รู้ว่าเราจนเราเนี่ยจนจริงๆที่จะเอาข้าวใส่บาทลูกชายเนี่ยก็ทั้งยากเอาเถอะเพื่อเรา ได้เข้าวมาเมื่อไร่ตามความเหมาะสมเราจะเอาไปใส่บาทลูกชายของเราเลักษณะอย่างนั้นแหะแต่นี้พอต่อมาท่นี้พระราธพ า, ามคนนี้นะ่ะไปทําพิธีกรรมไปทําพิธีกรรมพิธีการไปให้เขาว่าจะเดาะเคาะแล้วไปดูดวงดูดาวลักษณะอย่างนั้นแหละไปดูดวงดูดาวให้เขาเขาก็เลยให้รางวัล เออเอาข้าวให้เราเอาเอ า, เอาขอเอาของเอาข้าวให้พอท่านได้ข้าวมาแล้วท่านเอคิดถึงพระลูกชายเลยท่านเออลูกเลี้ยงของเราเนี่ยท่านสารีบุตรเนี่ยไปไหนนาะยังไม่เห็นมาเนี่ยภาษาเรบบุตรก็โผล่ไปพอดีพอดีนะเออพอโผล่ไปพอดีเ อ, อ, รปปรเอาราทพามก็ได้ข้าวพอดีในในหมอ้อโอ้ลูกชายก็มาเออดีละอ พอจะได้ทำบุญตักบาตรลาธาพามก็ได้เอาข้าวนะในหม้อนะ่ตักบาตรลาทาพามนะเพียงทัพผีเดียวนะก็คงจะทัพผีใหญ่พอสมควรนะเพราะมีความจุกใจอยากจะทำบุญนะอพอพระสารีบุตรได้ข้าวทัพผีนั้นนะท่านก็เอาไปฉันทีนี้พอไปฉันแลก เ, เลิกลากันไปแล้วทีนี้ต่อมาลาทาพามพออายุแก่เขามาก็สนใจ สนใจใยธรรมะเออเราอายุแก่แล้วจะอยู่ไปทำไมในโลกควรแก่อย่างน้อยก็ไปรับใช้พระสงฆ์ที่วัดป่าเชตวันไปปัดกวาดทาความสะอาดล้างกระโถนดูแลความเรียบร้อยอภายในวัดก็คงจะเป็นบุญเป็นกุศลกัมัง่งบั้นปลายชีวิตนะลาตะพามก็คิดอย่างนั้นต่อมา ก, ก็ไปปัดกวาดทาความสะอาดอแล้วก็ไปล้างกระโถน ดูแลพระสงฆ์นะอ่อนน้อมถ่อมตนดีมากนะราธพามนะพอต่อมาเนี่รับใช้พระสงฆ์นานเข้านานเข้านะในใจก็คิดอยากจะบวชทีนีออ่อายุแปดสิบปีแล้วเนยะอยากจะบวชทีนี่เกิดขึ้นมา อ, อถ้าเราจะบวชเนี่ยอายุเราก็มากแล้วบริขาร อ, อัฐบบริขารบาทกีบ อ, เ, อ, อเราจะหาได้ที่ไหน หนักใจต่อมา ก, ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับท่นี่เพราคิดอยากจะบวชอย่างแรงใช่ไหมละ่ะผู้เฒ่าได้อายุ80ปีคิดอยากจะบวชนะเคสอยู่อย่างนั้นละ่ะพระสงฆ์ก็ถามว่าตราธพามทําไมาคุณโยมจึงรู้สึกว่าผมอมขๆลงน ะ, เ, ะเป็นยังไงละ่ะสบายดีอยู่เหรอครับไม่มีอะไรครับผมสบายดีอยู่คือสบายทางร่างกายใช่ไหมละ่ะแต่ส่วนจิตใจดท่านเคดอยากจะบวชใช่ไหมละ่ะ อพอต่อมาทีนีอ้อาการมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนตัวเหลืองบานเนีเ่ยไม่ใช่ผอมธรรมดาจนตัวเหลืองอพระสงฆ์ก็เลยถามเอาราธพามยอมไม่สบายดิไม่สบายเหลือทําไมจึงตัวเหลืองล่ะป่วยเหลือไม่ครับอผมอยากจะบวชครับว่าไงอ้อาวอยากจะบวชแต่ผมไม่มีบริขารไม่มีใครให้บริขารกับผมผมไม่รู้จะบวชได้ยังไงผมก็เลยคิดคิ ด, ค, ดคิดหนักใจครับ ผมคิดอยากจะบวชอย่างมากครับอพอพระสงฆ์ได้ยินเท่านั้นแหะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าค่ะคนรับใช้คือลาธรรมพรามอายุแปดสิบปีนี่มารับใช้พระสงฆ์ดูแลปัดกวาดทาความสะอาดล้างกระถน เ, เป็นคนดีมากแต่ว่าบัดนี้เขาอยากจะบวชพระเจ้าค่ะแต่หาพูดให้ให้การสนับสนุนเรื่องบริหารไม่มีสมัยนั้นบริหารหายากใช่ไหมล่ะ ตอนนี้พระพุทธเจ้าประชุมสงเลยนะเห็นไหมเพียงแค่นั้นละ่ะพระพุทธเจ้าประชุมสงเลยพอประชุมสงพร้อมกันแล้วก็พระพุทธองค์ก็ถามว่าดูก่อนสงทั้งหลายใครบ้า ง, ละล ง, งาารางละลึกถึงบุญคุณของราธพามใครบ้างระลึกถึงบุญคุณของราธพามได้บ้างที่ราธพามได้ทําคุณงามความดีกับตนเองเออใครระลึกได้บ้าง พระสงฆ์ท่านเลยก็เงียบออพอเงียบฟันภาษาริบุตรนั่งกระยมนั่งกระยมปนมมือใชออ่นั่งกระยมคือนั่งคุกเข่าประนมมือ น, นั่นแหละก่อนที่จะกราบคุณพระพุทธเจ้าใช่นั่งคุกเข่าประนมมือคือว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าข้าว่าราตพามให้ได้ทําคุณได้ทําบุญคุณกับข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์บอกว่าทําเรื่องอะไรล่ะสาลีบุตร เพราะวันหนึ่งข้าพระองค์ไปบินเท่าบาทในกรุงสาวัตถีไปเดินไปไม่มีใครเสยบาทวันนั้นราธะพามก็เลยเอาข้าวใส่บาตรให้ข้าพระองค์ทับพีหนึ่งพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ก็ได้ฉันข้าวของราตะาธพามทับผีนั้นพระเจ้าค่ะก็ข้าพระองค์ระลึกได้เห็นหมเพียงราธพามใส่ข้าวเพียงทัพพีเดียวนะ ลาถ้าผามก็ยังไม่ลืมบุญคุณนะอันนี้หลวงพ่ออินมาอยู่ทั้งเกือบ14ปีนะหลวงพ่อเอ็นจะลืมบุญคุณของพี่ดองชาวบ้านตาได้อย่างไรใช่ไหมละ่นะนัอันนี้แหะพุทธศาสนาจากนั้นก็เออเอาสารีบุตรเมื่อท่านระ ล, ลึกถึงบุญคุณของลาถ้าามได้นะให้เธอเป็นผู้จัดการหาบริขารให้กับลาถ้าามได้ไหมสารีบุตรได้พระเจ้าค่านะาจากนั้นพระสารีบุตรท่านก็ บวชให้ราธภ า, ามใช่ไหมบวชเป็นพระนะอายุแปดสิบปีนะพอบวชเสร็จแล้วนะภาษาในบท ก, กบอกต์ว่าถ้าเราจะพาพ ร, ะราธภาามอยู่ในกรุงสาวัตถีอยู่ในวัดป่าเชตตะวันนีนะ่พระผู้เฒ่าถึงคงจะลำบากไม่ทันไม่ทันพระหนุ่มต้วมเตี้ยมนะถ้าท่านว่าควรจะเอาไปที่อื่นจากนั้นราธภาาม ภาษาเรียบวก็เลยเอาลาตพามออกไปอยู่ในชนนบดไม่กี่องนะ ภ, ภ, ภาษาเรียบุตรพยายามสอนอสอนลาธพามนะสอนไปสอนมาสอนให้เข้าอกเข้าใจจนราธพามได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะบารมีของท่านนะได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แล้วท่านก็เอจบแล้วทีน่านก็พาราธพามมากราพระพุทธเจ้าอเอ มาโคตรเจ้าก็ถามว่าเป็นไงสารีบุดลูกศิษย์ของท่านน่ะลูกศิษย์ของท่านเป็นยังไงดีอยู่หรืออ่อนน้อมผ่อมตนดีอยู่หรือเชื่อฟังดีอยู่เหรือดีอยู่พระเจ้าข้า เ, เพราะว่าท่านสารีบุลูย์พระราชาพามท่านฟังดีฟังฟังทำคำสอนของข้าพระองค์ดีอยู่ แล้วก็เป็นผู้ใส่ใจสนใจในการฟัง เ, เพราะเขาตั้งใจฟังดีมากพระเจ้าค่ะเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเมื่อข้าพระองค์แนะนําสิ่งสั่งสอนสิ่งใดไปเขาก็ฟังโดยตลอดเลยคําว่าถกเถียงหรือความแสดงความไม่พอใจไม่เคยปรากฏเลยพระเจ้าค่ะเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาจริงๆพระเจ้าค่ะภาษาริบุตรกราบทูวนพระพุทธเจ้าพระพทองค์ถามว่าราธพาม ไปไงไปศึกษากับท่านสารีบุตรลาธพามกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระ อ, องค์ได้ไปศึกษากับท่านสารีบุตรท่านแนะนําสั่งสอนสิ่งใดข้าพระ อ, องค์ก็จินดีรับฟังเหมือนกับท่านสารีบุตรเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ข้าพระ อ, องค์กับเออเอาพารามลาธะพามจุดนั้นเป็น ข, ขุมทรัพย์นะข้าพระ อ, องค์ก็ไปขุด ข, ขุมทรัพย์ เมื่อได้มาแล้วก็เป็นสมบัติของตนเองไม่ใช่สมบัติท่านสาริบุตรนะเนี่ยเพราะนั้นข้าพระองค์จึงใ่ในการศึกษาใยในการเรียนรู้ไม่ถกไม่เถียงไม่เงี่ยงหูฝังผู้ที่แนะนำสั่งสอนพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่านี่ละสงทั้งหลายฝังเอาไว้พระราธพามเนี่ยบวชภายแก่แต่เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิมานะใ่ในการเรียนรู้ ไฟในการศึกษาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจากนั้นรพระพุทธองค์จึงได้ให้เอธะตะะเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะี่นี่แหละให้ลูกหลานายยาศรัทธาญาติโยมฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะมันมามาในพระไตรปิฎกมามาในพระไตรปิฎกมาในพระธรรมมัพพทัตตนะิกถาให้ลุกล้อให้พวกเราไปศึกษาดูที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะี่ เรื่องพระราธาพามได้รับเอตัคขาจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแต่เป็นผู้มีเหตุผลนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือจุดหนึ่งที่ว่าพระราธพามภาษาริบุตรเป็นผู้ระลึกถึงบุญคุณของราธาพามใส่ข้าวในบาทเพียงทัพพีเดียวนะก็ยังไม่เลืมบุญคุณเพราะนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมจากเมืองอุดรจากเมืองกรุงเทพรวมไพวกคน มาพึ่งพาอาศัยใบบุญขององค์หลวงตาได้กินข้าวกินน้ําจากพี่น้องชาวบ้านตาพวกเราควรจะเลลึกถึงบุญคุณนะเลือดลึกถึงบุญคุณของพี่น้องชาวบ้านตาตั้งแต่องค์หลวงตาจุตินิรภั์ไปหปีนะก็ยังไม่เคยมีพี่น้องบ้านตาขอร้องอะไรจากพวกเราแต่มาคราวนี้ครั้งนี้พี่น้องชาวบ้านตาได้ขอร้องว่ามีความจําเป็นจะต้องได้ซ่อมโรงเรียนเพราะโรงเรียนชำรุด โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนขององค์หลวงตามหาบัวลิเริ่มตั้งแต่กอไก่เลยล่ะที่ท่านมาอยู่บ้านตัดหม่ท่านได้มาช่วยให้พี่น้องประชาชนเลื่อยไม้ทำาลงอาคารเรียนจนเป็นต่อมาท่านก็สร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็มีอะไรต่อพี่อะไรหลวงตาก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดเพราะนั้นมาถึงจุดนี้ชุกนี้หลวงตาก็จุดตินิรานไปแล้ว เป็นหน้าที่ของผ้าลูกผ้าหลานผ้าน้องผ้านุ่งอย่างพวกเราทั้งหลายคณาธาญาติโยมทุกคนควรจะหันหน้าเข้าหากันมาช่วยโรงเรียนขององค์ลงตานะพี่น้องลูกหลานทุกคนเนอะตั้งใจรับพรนะนทีนรคณาธาญาตโยมลูกหลานขนาดที่ให้พรก็น้อมถวายเป็นพระราษฎกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวของเรา ที่ท่านอยู่ในที่ท่านเสด็จสวรรคา์ลาไลไปตั้งแต่วันที่13ตุลา59นะเราเป็นพระศกนิกรทาบุญนัชสถานที่ใดคราวนี้เป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เป็นการรวมกันของพระศกนิกรทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราเจรึงจะททำบุญ เ, เพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์เนี่ยพระองค์ท่านก็ ไปนสถานที่ใดท่านก็ช่วยสาธารณประโยชน์เป็นหลักอย่างองหลวงตาของพวกเราองหลวงตาของพวกเราไปท่านไปนัตสถานที่ใดท่านก็ช่วยคิดช่วยสาธารณประโยชน์จนเฮือกสุดท้ายไม่เฮือกสุดท้ายได้ยังไงใช่ไมท่านมีพินัยกรรมท่านบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วงานศพของเราคนมาบริจาคในงานศพของเราเงินจานวนที่ พี่น้องประชาชนมาบริจาคนั้นให้ไปซื้อซื้อทองคําแล้วก็หลอมเป็นทองคําแท่งแล้วก็มอบให้ครั้งหลวง เ, เพื่อเป็นเงินเพื่ อ, เ, อเป็นทองประกันธนาบัตรนะนี่แหละส่วนศพของเราให้เอาฟืนเผาอย่าเอาเงินมาใช้นี่แหละหลวงตาท่านคิดถึงขนาดนั้นนะพี่น้องประชาชนหาได้ที่ไหนนี่แหละในหลวงของเราก็ ไปนะักสถานที่ใดพวกเราจึงรู้ได้ว่าเมื่อพระองค์สวรรคาลายไปแล้วประวัติของท่านออกมาเป็นที่รู้กันในสื่อต่างๆในองค์หลวงตาของเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพวกเราเดินตามแนวแถวขององค์หลวงตาเดินตามแนวแถวพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุหัวของพวกเราเพราะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุหัวของพวกเราสวรรคาลาย พวกเราที่เป็นพระสงฆนิกรที่อยู่บ้างหลังก็ขอน้อมอถวายเป็นพระราชฎรกุศลต่อพระองค์ท่านดวงวิญญาณของพระองค์สิิถึงจะติดอยู่ณนะที่ใดทีใดก็ขอให้รับรู้รับทราบว่าพระศงฆนิกายน้อมลำลึกแล้วก็ถวายเป็นพระราษฎกุศลต่อพระองค์ท่านนะวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันมงคลมหามงค ล, ง ค, ลคณะสงฆ์และคณะสัทธา ย, ยาจโจมได้มาพบมาเจอกัน แล้วก็ได้เทน้ําจิตใจร่วมกันได้เงินตรงสองล้านสามแสนกว่าบาทนะเพื่อบูรณะโรงเรียนสาธารณประโยชน์ที่เป็นมรดก ข, ขององค์หลงตาของพวกเราที่ท่านมอบให้กับลูกหลานเพราะนั้นพวกเราที่มาร่วมกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายฆรวยาวาสญาติโยมทุกหมู่เราก็ได้เห็นพร้องต้องการจึงมีการทอดผ้าป่าสามมกขีขึ้นในวันที่22 กุ่มภาพันพุทธศักราช 2,560 ณวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลได้ปัจจัยทั้งหมดในวันนี้สาองล้านสามแสกว่าบาทนะไม่ใช่น้อยในเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นลักษณะอย่างนี้นะพวกเรารู้แก่ใจของใครของเรานะเพราะว่าไม่ใช่แต่พวกประเทศเรานะต่างประเทศก็เหมือนกันเศรษฐกิจในโลกนี่รู้สึกว่า มันปั่นป่วนไปพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ตามน้ำใจของพวกเราเนี่ยยังเหลือไหล เ, เหลือนไหลท่วมท้นนะจะประกอบคุณงามความดีเดินตามแนวแถวองค์หลวงตาพาดำเนินเพวัะนั้นถือว่าวันนี้พวกเราเดินตามแนวแถวขององค์หลวงตาที่ท่านช่วยสงเคราะห์ อ, อนุขเคราะห์พี่น้องประชาชนโลกทั้งโลกนะต่ อ, ตอ น, นี้ไปพระสงฆ์ จะอนุโมทนาให้พรรับพรเน้อแล้วก็อุทิศเป็นถวายเป็นพระรสุกุศลและกอุทิศกุศลต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ่งสาขนาญาดญาติมิตรหายของพวกเราด้วยการทําบุญคราวนี้เป็นการทําบุญครั้งหนึ่งนี่มีพระสงฆ์ต่างมากมายแล้วก็ทําบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองน ะ, ะรับพรนัตตินะ